ธรรมบทแปลเรื่องพระวังคีสะเทระภาคที่8เรื่องที่299พระาศาสดาประทับอยู่นพระเชตวันทรงประรบพระวังคีสะเทระตรัสพระธรรมเทศนานิว่าจุติงโยเวทิสัตตานังเป็นต้นตอนวังคีสักปราม เป็นนักทำนายได้ยินว่าพรามในกรุงราชกฤชคนหนึ่งชื่อว่าวังกีสะเคาะกระโหลกศีรษะของคนตายก็สามารถรู้ได้ว่านี้เป็นศีรษะของผู้ไปเกิดในนรกนี้เป็นศีรษะของผู้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรฉานนี้เป็นศีรษะ ของผู้ไปเกิดในเปรตวิสัยนี้เป็นศีรัะของผู้ไปเกิดในมนุษยโลกนี้เป็นศีรัะของผู้ไปเกิดในเทวโลกพวกปรามคิดว่าเราอาศัยวังคีสาปรามนี้สามารถหากินกับชาวโลกได้ดืนนี้แล้วจึงให้เขานุ่งผ้าแดงสองผืนพาไปตามจนบท บอแกคุณทั้งหลายว่าพรามชื่อวังคีาสานี้เขากระโหลกศรีรษะคนตายแล้วสามารถรู้ที่คนตายไปเกิดได้พวกท่านจงถามเขาดูซิว่าญาติของตนไปเกิดที่ไหนบางคนก็ให้เงินสิบกาปนาบ้างยี่สิบกาปนาบ้าง100ร้อยกาปนาบ้างตามที่มี ถามถึงที่ที่พวกญาติไปเกิดดังนี้ปรามเหล่านั้นมาถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับหาที่พักที่ไม่ไกลาจากประเชตวันพวกเขาเห็นมหาชนผู้รับประทานอาหารเช้าแล้วถือเอาของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นกำลังไปฟังธรรมจึงถามว่าพวกท่านจะไปไหน เมื่อมหาชนบอกว่าจะไปวิหารเพื่อฟังธรรมพราหมณ์เหล่านั้นจึงกล่าวว่าจะไปในที่นั้นทําไมไม่มีใครสู้บังคีสาพราหมณ์ของเราได้เขาเคาะกโลกศีรษะคนตายแล้วก็รู้ที่ที่คนตายไปเกิดได้พวกท่านจงถามที่ที่พวกญาติไปเกิดเถอะคนเหล่านั้นกล่าวว่าบังคีสาจะรู้อะไร ไม่มีใครสู้พระศาสดาของพวกเราได้ปรามฝ่ายนั้นก็กล่าวว่าไม่มีใครสู้วังคีสักของเราได้ก็เกิดการทุ่มเถียงรุนแรงขึ้นเขาท้ากันว่ามาเลยพวกเราจะรู้ว่าวังคีสักของพวกท่านหรือพระศาสดาของพวกเราจะรู้จริงต่างจึงพาปรามเหล่านั้นไปยังวิหารตอน เขายอมจำนวนแก่พระศาสดาพระศาสดาทรงทราบว่าคนเหล่านั้นมาจึงรับสั่งให้นำกะโหลกศีรษะมาห้ากะโหลกคือศีรษะของสัตว์ผู้เกิดในสีที่ได้แก่ในนรกในกำเนิดเดรัจฉานในมนุษยโลกในเทวโลกและกะโหลกศีรษะของพระขีนาศพหนึ่งกะโหลก ได้รับสั่งให้วางไว้ตามลำดับเมื่อวังคีสะมาถึงจึงตรัสถามบังคีสศราทราบว่าท่านเคาะกโกลกศีรษะแล้วรู้ที่เกิดของผู้ตายได้จริงหรือวังคีศพระโชก้าข้าปรุงรู้ข้อนั้นพระศาสดานี้กโกลกศีรษะของใครบังคีสพราหมณ์เคาะกโกลกศีรษะนั้นแล้ว ก็กราบทูลว่านี้กระโหลกศีรษะของสัตว์ผู้ไปเกิดในนรกลาดั บ, บ, บนั้นพระศาสดาประธานคำรับรองแก่เขาว่าถูกแล้วคือสาธุจึงตรัสถามถึงศีรษะอีกสามกะโหลกที่เหลือเมื่อเขากลาบทูลไม่ผิดก็ประธานคำรับรองอย่างเคยจึงทรงให้ดูกระโหลกศีรษะที่ห ตรัถามว่าวังคีสานี้กะโหลกศีรษะของใครวังคีสารามเคาะแล้วไม่รู้ที่เกิดพระศาสดาตรัสว่าวังคีส่าท่านไม่รู้หรือวังคีส่าข้าพระองค์ไม่รู้พระเจ้าข้าพระศาสดาฉันรู้วังคีสาก็พระองค์ทรงทราบด้วยอะไรพระศาสดา เราทราบด้วยกำลังมนวังคีศะขอพระองค์จงประทานมนนี้แก่ข้าพระองค์บ้างพระศาสดาเราจะให้มนแก่ผู้ไม่บวชไม่ได้ตอนวังคีศะบวชเพื่อเรียนพุทธมน์เขาคิดว่าเมื่อเขาเรียนมน น, นี้แล้วเราก็จะเป็นผู้โด่งดังไปทั่วชมบูตุบีดในนี้แล้ว จึงให้พราห์มเหล่านั้นกลับไปด้วยคำว่าพวกท่านจงพักอยู่ในที่นี้พักสักสองถึงสามวันก่อนฉันจะบวชแล้วได้บรรพชาอุปสมบทกับพระาศาสดาได้ชื่อว่าวังกีสะเทระลำดับนั้นพระาศาสดาประธานกรรมฐานท่านมีอาการส2สองเป็นอารมณ์แก่ท่านตรัสว่า วังคีศักเธอจงสาธยายบริกรรมมนเถิดตอนพระติระบรรลุพระอรหันต์ปร ะ, รประวังคีสานั้นสาธยายมนอยู่ผู้พวกปรามถามเป็นระยะระยะว่าเรียนมนได้หรือยังประวังคีสากลึงบอกว่าพวกท่านจงรอก่อนฉันกําลังเรียน ต่อมาอีกสองถึงสามวันท่านก็ได้บรรลุพระรหัสเมื่อพวกปามถามอีกพระวังกีสะจึงกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายบัดนี้ฉันไม่ควรที่จะไปกับพวกท่านแล้วพวกภิกษุทั้งหลายได้ยินคำนั้นจึงกราบทูลแก่พระศาสด า, ศา ว, ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวังกีสะเถระนี้ พยากรณ์อาารรถผลด้วยคำไม่จริงพระศาสดา จ, จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่า ก, กล่าวอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบัดนี้บุตรของเรารอบรู้การจุติและการปฏิสนธิแล้วแลได้กล่าวคำที่เป็นกาถาขึ้นว่าผู้ใดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย โดยประการตั้งปวงเราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่ติดข้องเป็นผู้ไปดีเป็นผู้รู้แล้วว่าเป็นพรามเทวดาคนทันและหมู่มนุษย์ไม่รู้คติของผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีอาสวะสิ้นแล้วผู้ไกลกิเลสว่าเป็นพรามบาลีว่า จุติงโยเวทิสัตตานังอุปป ต, ตินจสภโสอสัตตังสุขตังผู้ทังตามหังปรุมิปรมามะหนังยสสคติงนะชานนติเทวาคันทพพระมานุษย์ขีนาสวังอรหันตังตมหังปรุมิปรมามะหนัง กนิบบดาคำเหล่านั้นคำว่าโยเวทิแปลว่าผู้ใดรู้เป็นต้นหมายความว่าผู้ใดรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงอย่างแจ้งชัดเราเรียกบุคคลผู้นั้นซึ่งชื่อว่าอสัตตังคือไม่ติดข้องเพราะความเป็นผู้ไม่ข้องติด ชื่อว่าสุขตังคือไปดีเพราะไปดีด้วยการปฏิบัติชื่อว่าพุทธังแปลว่าผู้รู้เพราะรู้สัจจะทั้งสี่ว่าเป็น Brah คําว่ายัตสะแปลว่าของผู้ใดหมายความว่าเทวดาเป็นต้นเหล่านั้นไม่รู้กติของผู้ใดเราเรียกผู้นั้น ซึ่งชื่อว่ามีอาสวะสิ้นแล้วคือขีนาสวังเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายชื่อว่าอารหันตังคือผู้ไกลาจากกิเลสเพราะความเป็นผู้ห่างไกลาจากกิเลสว่าเป็นพรามในเวลาจบเทสนาคนจำนวนมากได้บรรลุโซดาปฏิผลเป็นต้นแล้วแหละ เรื่องพระวังกีสัตถระ